ปจจีนิกับปุขคโลกาจะขุนตรีย์มูลกนัยสองอนุโลมปุชชาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้มีจะกูเกิดไม่ได้โสตาเกิดได้กำลังอุบัติจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู tam, no ¿Mi ¿No ้กำลังจุตติบุคคลผู้มีจักรคู่และโสตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสตินศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาโสตินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจักขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีโสตเกิดไม่ได้จักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติ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 และจากขุนสี่ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักคุนสี่ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัิชนาบุคคลผู้มีจักกูเกิดไม่ได้อิทธิเกิดได้กำลังอุบัตจักคุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ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 อิทินีของบุคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จักขุนีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิและจักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จักขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปริทินีของบุคคลนั้นในภูมินั้น ก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้มีจักรกเกิดไม่ได้ปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรกและปุริสาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิด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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัติชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด โสมนัสสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมน mmm ัส hmm. ส <lles S 2> ินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้แต่มีจิตประราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่จกักขุนศีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคบคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากโสมนัตกําลังอุบัติโสมนัตศิลป์ศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จกักขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุปเปกขินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิตัชนาบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกขินศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราตจักอุเบกขากำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกขินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิรลมปุชชา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 อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแด้จากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนะบุคคลผู้มีจักรู่เกิดไม่ได้ได้เป็นสเหตุตุกะกาลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังเกิด แต่สัตตินรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรกเกิดไม่ได้และเป็นอเหตุกะกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตตินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุชชาสัตทินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชฉนา บุคคลผู้เป็นอเหตุกะและมีจักกูเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขุนรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นอเหตุตุกะมีจักกูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขุนรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา จักขคุณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีจักรขู่เกิดไม่ได้แต่เป็นญาณสัมปยุตกําลังอุบัติจักขคุณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตกําลังอุบัติ จากขุนศรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปัญญีศรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาปัญญินศรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนศรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้เป็นญาณวิปปยุทธแต่มีจักรคูเกิดได้กําลังอุบัติปัญญีศรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด ได้จกักขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำ ล, กลังจุติบุคคลผู้ปัญญาณนะวิปยุทธได้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดได้จกักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมานินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตตัชนาะ บุคคลผู้มีจกักรเกิดไม่ได้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคบคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและและมนินรีก็ไม่ใช่กาลังเกิดปฏิโมปุชชา มนณีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจากข right? ุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่จากขุนทรยมูลกนัยจบคานินทรีมูลกนัยสองร้อยสามอนุโลมปุชชาคานนิณีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม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 อิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้มีอิทติเกิดไม่ได้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติอิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทติและคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ อิทธินิสัยของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคารินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ปุริศะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะและปุริสสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริ Bali. สินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม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 คานินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติคานินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิด ปฏิโรปุจฉัลชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินันะนน้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉัลคาณินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัต ส, สินทรียของบุคคลนั้นในภูมินันน้นก็นไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู ok ้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัตกาลัง thinner, อุบัติ โสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากโสมนัตกำลังอุบัติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัตสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโมปุจฉาโสมนัตสินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 โ, โสมนั ส, สินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกขินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่อุเปกินสีไม่ใช like ่ไม uhh. ่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราจจะอุเบขากําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดได้อุเปกินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชฉา บุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชา คานินสียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่เป็นสเหตุุกะกําลังอุบัติคานินสียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และเป็นอเหตุุกะกําลังอุบัติ คานินรียของบุคคลเหล่านั้น <n it> ในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทิ น, น, นรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชาสัตทินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นอเหตุุกาแต่มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินรียของบุคคลเหล่านันาน้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นอหตุกะและมีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตทินีกองบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินีก็มกกมกมมไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคนานินีก็บบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และเป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติคานินตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุชะ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 ปั ญ, ญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินทรีย์กไ็มไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้มีการะเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่มนินทรีมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีก็บุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ การอินทริยมูลกานัยจบอิถินทรีย์มูลกานัย233อนุโลมปุชชาอิทธินิจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินริจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติอิทินริจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิและปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธิินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังเกิดอิดทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ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 ชีวิตินร์สีของบุคคลใด <yi> ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินทรสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดชใช่ใใไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชฌาอิทธินทรสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณัตินทรสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัตกําลังอุบัติ อิตินตีของบุคคลเหล่าน <Ja. S 2> ั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมานต์สิน <small> ต <spirit> ีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีและมีจิตปราศจากโสมานต์กาลังอุบัติอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมานต์สินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุชชา โส Кор มนัสสินติของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตรปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธินติมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้ ได้มีจิตปราศจากโสมนัสกําลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูม่มนั้นไม่ใช่กําลังเกิดได้อิสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติ อิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในปู่ม น, นั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเ ป, ปกินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเ ป, ปกินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเ ป, ปกินสีของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่กำลังเกิด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 อุเบกินสีของบุคคลเหล่าน right> ั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิตินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําล yeah, ังเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้มีอิทติเกิดไม่ได้แต่เป็นสเหตุกะกําลังอุบัติอิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่สัตทินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และเป็นอเหตุุกะกำลังอุบัติอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นใ น, Discord, ในใ ป, ปู่มนั้ น, ใใ น, น, นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุจฉาสัตทินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตตัชนา บุคคลผู้เป็นอเหตุตุกกะแต่มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอเหตุกะและมีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินมันนนนน้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทธินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา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 อิทธินตีของบุคคลเหล่านั้น át, re ในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญิตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญิตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด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 บุคคลผู้ม <Jub ilee> ีอิทธเกิดไม่ได้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติอิทธิ์รีกของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทธิ์รีกของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุจชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด อิตินตีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อิตินทรีย์มูลกานายัยจบปุริสินทรีย์มูลกานาิจสอยสามอนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีปุริชาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินทรติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรติไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินทรติของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 แต่โสมนัสสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริจัเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชฌาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินสี ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกาลังอุบัติโสมนัสสินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินติไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุตติบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้แต่มีจิตปราศ จ, จากโสมนัสกาลังอุบัติ โสมนัสตินรีของบุคคลเหล่านั้นในปมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินตียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินรีของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกขินตีของบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้มีปุริตาเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบขากำลังอุบัติปุริสินรีของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่อุเปกินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริจเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบขากําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด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 อุเปกขินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัติชนาบุคคลผู้มีปุริตาเกิดไม่ได้แต่เป็นสเหตุตุกะกําลังอุบัติปุริตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่สัตทินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริชาเกิดไม่ได้และเป็นอเหตุตุกะกําลังอุบัติปุริสินทตียของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตทินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินทตียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนา บุคคลผู้เป็นเนเหตุุกะแต่มีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินสียมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นเนเหตุุกะและมีปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชา บุริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้มีปุริจาเกิดไม่ได้แต่เป็นญานสัมปยุตกําลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญิรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติ บุคคลผู้มีปุริชาเกิดไม่ได <No> <ciendo> <eeee> ้และเป็นญาณวิทย์ประยุทธ์กำลังอุบัติปุริสินตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญิรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุชชาปัญญิตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นญาณวิทประยุทธ์และมีปุริชาเกิดได้กำลังอุบัติ ปัญญีญสีของบุ itating, คคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุทธ์ได้มีปุริสสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญีญสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมานินรีย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 ปฏิรมปุจฉามนินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินสของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปุริสินตรียมูรกนัยจบชีวิตินตรียมูรกนาอยสามอนุโลมปุจฉา ชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมณัตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลมีจิตปราศจากโสมนัตกาลังอุบัติ ในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตในประวัติการโสมนัตสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตสินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการโสมนัตสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตสินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชา ชีวิตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกขินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอุเปกขินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลภูมิจิตปราศจากอุเบขากลังอุบัติ ในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลมงจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา ชีวิตินทร์ตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสัตตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นอาเหตุุกะกําลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาในประวัติการ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 ปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นยาณวิปยุตกำลังอุบัตในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากยาในประวัติการ ปัญญนทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินตรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กํำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการปัญญนตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินตรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาชีวิตินตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด มนิินตีของบ in ุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัิชนะใช่ปฏิโรมปุจฉามนิินตีของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัติชนะบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัตมาิินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังเกิด แต่ชีวิตินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังฆ ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการมานินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์มูลกไนัยจบโสมนั ส, สินทรีย์มูลกานัสงรยสามหอนุโลมปุจฉา โสมสตินรียของบ cluster, <led> <yes> ุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลมีจิตเป็นอุเบขากำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบขาในประวัติการโสมนัณสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคธาณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัศนาแหง่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตและอุเบกขาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิโสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกสินรีก็มไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะ บุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่สามปยุทธ์ ด, ด้วยโสมนัตในประวัติการอุเปกินตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัตินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากอุเบขาและโสมณัตบุคคลผู้อุบัตอยู่ในสัญญาัตภูมิ อุเบกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัตสสินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดตัดินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะแต่มีจิตปราศจากโสมานัตกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมานัตและ ที่สัมปยุตด้วยศรัทธาในประวัติการโสมนณตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ตัดทินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนณตและศรัทธาบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิโสมนณตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด และสัตทินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาสัตทินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาและที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในประวัติการสัตทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสสินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังฆขาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาฆขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากสัทธาและโสมนัสบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิสตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินสีก็ไ ม, ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม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 บุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัตตภูมิโสมนัสสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปัญญรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาปัญญรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุทธแต่มีจิตเป็นโสมนัสกาลังอุบัติ ในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปปยุตจากยานและที่สามปยุตด้วยโสมนัสในปวัตติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสสินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในยุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปปยุตจากยานและโสมนัสบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด ดัชโสมนัสสินรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมานินทรียของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกาลังอุบัติในอุปาถขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัสในภาวัติการ โสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตตภูมิโสมณตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรปุชฌามนินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด โสมนัสสินรีย์ของบุคคลนั้นในปู่มนั <double> ้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่โสมนัสสินตรียมูลกนาอจบอุเปกินตรียมูลกนาอิอยสามอนุโลมปุจฉาอุเปกินรีของบุคคลใดในปู่มใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลมีจิตปราศจากอุเบกขาแต่เป็นสเสหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขคณาแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาและที่สามยุจด้วยศรัทธาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ตัดสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขคณาแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาและศรัทธา บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุชชาสัตตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นเหตุกาแต่มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติ ในอุปาทขศนาแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากศรัทธาและที่สัมยุญ ด, ด้วยอุเบขาในประวัติการสัตตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากศรัทธาและอุเบขาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจญจัตตภูมิ สัตทินตีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เปญญ็นญาณสามประยุตแต่มีจิตปราศจากอุเบขากําลังอุบัติ ในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาและที่สัมปยุตด้วยญาณในประวัติการอุเปกิน evet. ตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาและญาณบุคคลผู้บัตอยู่ในอาศันยสัตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และปัญญินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิรมปุชชาปัญญรีของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากยาและที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบขาในปวัตติการ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 อุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตติชนาะบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จะมีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาในประวัติการอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มานินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด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 อุเปกินตเริยมูลกานาอจบสัตถินตเริยมูลกนัย238อนุโลมปุชชาสัตถินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด สัตทินสียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นยาณวิปยุตแต่เป็นสเหตุุกะกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยาและที่สัมปยุตได้ศรัทธาในปวัตติการปัญญรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในปังขัต刹那แห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาถขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยาและจัต ธ, ธาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญรัตตภูมิปัญญีสีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตทินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาสัตทินรีก็บุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมัณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชา บุคคลผู้เป็นอเหตุุกกาตตแต่มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติในอุปาทขคณาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาในประวัติการสัตตินตีองบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังทขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอญญาจญรย์ัตตภูมิสัตตินตีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และมนณีตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชามนณีตีของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่สัตตินตรียมูลกานายัยจบปัญญตรีมูลกานายัยสองอยสามสิบเก้อนุโลมปุชชา ปัญญินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตจะมีจิตเกิดได้กําลังอุบัตในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากญาณในประวัติการปัญญินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขั้นาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัจตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานินรีนยก็มไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชามานินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญิีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปัญญตริยมูลกนยัยจบ